อ่าเดือนพอนยติธรรมทุกท่านเนาะเดือนนี้ก็เดือนกันยายนนะถือว่าเป็นเดือนที่หลวงพ่อเทียนนะท่านเกิดแล้วก็เป็นเดือนที่หลวงพ่อท่านหลวงพ่อเทียนท่านน่าสังขารนะถ้าจําไม่ผิดก็บางทีก็จําไม่แน่ใจนะ เกิดวันที่ห้ากันยาและสังขานสิบสามกันยานะแะสังขานปีสองห้าสามหนึ่งะปีนี้หกหนึ่งก็สามสิบปีนะสามสิบปีที่ของพ่อเทียนและสังขานมีใครเคยเจอหลวงพ่อเทียนไหมมีไหมยมให้เจ อ, อมีมาก็ไม่เคยเจอ ไม่ทันนะออไม่ทันก็ถ้าทันก็ไม่รู้จะได้ไปเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีก็กลุ่มที่เจอหลวงพ่อเทียนก็คงเป็นกลุ่มที่อาจจะแหวกแนวสักหน่อยนะใช่ไหมถ้าไม่ถ้ายังค่อนข้างติดในรูปแบบพิธีกรรมก็อาจจะรู้สึกว่าหลวงพ่อเทียนท่านอาจจะ ไม่ไม่ค่อยอยู่เป็นแบบนั้นเนาะดมงนั้นกลุ่มที่สนใจหลวงพ่อเทียนนะตั้งแต่สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่ที่อืเนื้อคิดใหม่สังหน่อย <c oughs> เพราะว่ารูปแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนะมันมันไม่เหมือนกับรูปแบบอื่นที่ที่มีในสมัยสมัยนู้นเนาะท่านสอนมาเกือบ ประมาณ60ปีละตั้งแต่ท่านบวชนะสมัยก่อนคนพอคิดถึงปฏิบัติก็จะคิดถึงการนั่งสมาธิเนะโดยเฉพาะการนั่งรับตานะหรือบริก ร, รมหรือทำให้จิตสงบเนาะทำให้จิตสงบแต่มาคิดว่าหลวงพ่อเทียนน่าจะเป็นพระรูปอาจจะเป็นรูปเดียวก็ได้นะที่พูดคำว่าสติตลอดเวลา ไม่พูดเรื่องสมาธินะไม่พูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิหรือเรื่องต้องไปเรียนปริยัติต่างๆนะซึ่งผู้แบบนี้ไม่ใช่แปลว่าการพูดเรื่องศีลหรือสมาธิหรือเรียนปริยัติมันผิดนะไม่ใช่นะอนะแต่คือท่านเป็นคนที่ประกาศในเรื่องสติอย่างเดียวอ่ะคือชัดเจนว่าอแค่เจริญสติอย่างเดียวเนี่ยก็มันมาหมดมันมาหมดทุกอย่าง คือสมัยคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าคือธรรมะมันมีหลายหลายหมวดหลายอะไรต่างๆคือไปเรียนก็ต้องเรียนให้มันแยกไป ท, ทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนไปแต่หลวงพ่อเทียนเป็นพระที่กล้ารประกาศว่าทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมัน ก, ก็เพียงพอนะเพียงพอไปสู่ความพ้นทุกขนะ์แต่พ้นทุกข์นี่ไม่ต้องไปพูดก็ได้ว่าเราเป็น พระอริยบุคคลหรือชั้นไหนเนี่ยไม่ต้องไปแยกเลยนะใช่ไหมบางทีหมายว่าบางทีธรรมะพอเราเรียนผ่านปริยัตคือการการอ่านการฟังการรู้เยอะบางทีความรู้นั่นแหละนะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมะจริงๆริเพราะมันจะทำให้เราติดนะติดขาดว่าเออเราทำขนาดนี้แต่มัน มันเรียกว่าอะไ ร, ะไรนะมันเรียกว่าอะไรยังไงเราถึงขั้นไหนแล้วอะไรต่างๆซึ่งคือที่จริงถ้าจะดูจริงนะปฎิยัติมันก็แค่เป็นไต้ไลายให้เราได้เข้าใจว่าเส้นทางในการเดินทางมันคืออะไรนะแต่ตัวปฏิบัติจริงๆนี่แหละคือการมีสตินี่แหละนะซึ่งหลวงพ่อเทียนท่านท่านย้าตรงนี้มากแล้วก็ มาว่าสมัยนี้ก็ยังดีนะมีคนพูดเรื่องการเจริญสติเยอะขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยคงพูดแต่เรื่องการทําสมาธิเยอะนะการเจริญสติเนี่ยพูดน้อยก็สลวงคัเทียนท่านก็เป็นพระที่พูดตรงนี้พูดเรื่องสติพูดเรื่องความรู้สึกตัวไม่พูดเรื่องอย่างอื่นเราก็มาว่า มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ท้ า, ทาให้เราพิสูจน์ดูเนาะว่าทำแค่เนี้ยมันเพียงพอหรือเปล่าทำแค่เนี้ยเพียงพอไม่ก็ลองพิสูจน์ดูแต่มาก็รู้สึกว่าพอเราพิสูจน์ตามสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่า น, นท่านท้าหรือว่าท่านสอนเราอะมันก็จริงๆนะเราเนี่ยแหละเราเริ่มที่ความทาความรู้สึกตัว แรกๆก็ต้องเรียกว่าหาความรู้สึกตัวให้เจอเนาะเพราะบางทีเราเพื่อใหรู้สึกตัวมันเหมือนจะเข้าใจแต่ความรู้สึกตัวจริงๆมันมันเป็นสภาวะนะสภาวะธรรม ท, ที่เกิดการรู้เนื้อรู้ตัวอย่างทั่วพร้อมนะรู้สึกมือรู้สึกขารู้สึกท้องรู้สึกลมจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะ ใช่ไหมถ้าใครปฏิบัติไอความรู้สึกตัวนั้นมันเกิดขึ้นนะแต่มันไม่ใช่ไปไปจับไปจำแนกนะส่วนใดส่วนหนึ่งเลยนะรู้สึกตัวจริงเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพียงแค่รู้สึกถึงมีมีตัวในที่นี้คือมีกายอยู่หรือว่ามีความรู้สึกนะถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับใจอยู่แค่นั้นเอง สติคือความรู้สึกที่เข้าไปรู้กายแล้วก็รู้ใจโดยที่ไม่ต้องมีภาษาไม่ต้องมีการแยกอะไรเลยนะพีงการแยกอย่างเช่นที่ไม่ถึงว่าแยกส่วนนั้นส่วนนี้นะเพียงแค่รู้สึกให้ให้มันได้นะแล้วการรู้สึกตัวเองก็เนี่ยแหละเราก็อาศัยแรกๆอาศัยการสร้างนะสร้างความรู้สึกตัวนะ กิกับการเคลื่อนไหวก็ดีกับการทํากิจต่างๆก็ดีรู้แบบรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวแบบรวมๆนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการไปเพ่งตัวทั้งตัวแบบรวมๆนะนะรู้สึกแบบผ่อนคลายมีความตั้งใจรู้แต่รู้แบบผ่อนคลายนะต่อไปมันจะลดความตั้งใจลงของมันเองมันจะรู้แบบเป็นอัตโนมัติ แล้วก็มีความผ่อนคลายมีความสบายในการรู้แต่ความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่ใช่ตัวตนในเชิงว่าจะบังคับได้เนาะจะบังคับให้เกิดตลอดมันก็ไม่ได้เหมือนเราพยายามแต่แรกหาความรู้สึกตัวให้เจอพอเริ่มรู้จักความรู้สึกตัวเจอแล้วบางทีเราก็อยากจะให้มันเกิดตลอด หรือว่าอยากให้ความรู้สึกตัวมันไม่หายไปแต่จริงมันทำไม่ได้ทาไม่ได้นะความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันมันเกิดมาแล้วก็ดับไปนะเกิดมาแล้วก็ดับไปบางทีเราก็เลยเรียกว่าสร้างความรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้สึกตัวคือมันสร้างทีละขณะนะมันรู้ทีละขณะรู้แล้วก็จบไปทีละขณะบางทีก็รู้กายบ้างรู้เวทนาบ้าง รู้จิตบ้างรู้ธรรมบ้างความสึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้แต่กายตลอดแต่ท่านก็เน้นความ้สุกตัวที่กายเป็นหลักไปก่อนแต่ไม่ใช่รู้แต่กายเพราะนั้นวันวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องพยายามที่จะต้องไปบังคับให้มันรู้แต่กายตลอดรู้ให้มันต่อไปที่กายตลอดไม่จำเป็นในขณะที่ก้าวในขณะที่ยกมือก็ดีนะมันอาจจะรู้ สึกถึงร่างกายก็ดีหรือมันจะไปรู้ทันความคิดหรือจิตใจก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แปลว่าผิดนะนะ่ะนั้นหลวงพ่อเทียนเขาก็บอกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะี่นี่คือเขาเรีกมีมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่ตัวรู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นเพียงแค่สภาวะอย่างหนึ่งของจิต ที่มันรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยเกิดมันจะเห็นมันนะ บ, บ่อยๆบางทีเราก็เรียกว่าเห็นมันเหมือนคล้ายๆมันเกิดแล้วก็ดับอะสภาวะต่างๆกายเคลื่อนมันก็จบไปรู้ใหม่มันคือสภาวะที่มันเกิดดับของทั้งรูปแล้วก็ของทั้งตัวรู้รวมทั้งเห็นการเกิดดับทั้งของนามธรรมที่เป็นตัวปรุงแต่ง แล้วก็ตัวรู้ก็เกิดดับข้างนั้นเลยคือเราจะรู้กายก็ดีรู้ใจก็ดีนะตัวที่รู้นะก็เกิดดับเนะี่ยอาการที่ถูกรู้ก็เกิดดับเนะี่ยเรารู้แบบนี้นไปเรื่อยจิตมันก็จะอืมอะไรนะมีแต่เกิดดับข้างนั้นเลยมันไม่ใช่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่ เป็นตลอดเวลาแต่เวลาเราหลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าท่าภาวะต่างๆเนี่ยมันนานมากเช่นเวลาโกรธมันก็โกรธนานเป็นหลายนาทีอะ น, นะเวลาเศร้าเวลาเบื่อมันก็จะต่อเนื่องไปหลายนาทีอะไร น, นะเพราะมันไม่เห็นถ้ า, าภาษาพระเรียกว่าเป็นสันตติเนาะสันตติคือความต่อเนื่อง เราไม่เห็นช่องว่างของสันติที่มันมีนะเราไม่เห็นตรงนั้นแต่ถ้าสติมันมันมีมากขึ้นมันจะเห็นช่องว่างของการเกิดสันติคือความต่อเนื่องะแต่เนี้ยมันเหมือนคล้ายๆเราคิดว่าถ้ามองไกลๆมันก็คือมันต่อกันมันต่อกันเป็นเส้นเดียวหรือเรามองเนี้ยแบบมันจะเห็นมันมันติดกันหมดเลยแต่คือพอเราฝึกสติจริงๆมัน มันทำให้เราเห็นช่องว่างของของการเกิดดับของแต่ละขนาดจิตนะในตัวรู้ก็ดีหรือในอาการที่มันรู้ก็ดีนะมันคืออาการที่มันถูกรู้ก็ดีนะมันมีช่องว่างของจิตนะจิตมันไม่ใช่ดวงเดียวที่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจิตไม่ใช่สภาวะที่มันอยู่ตลอดเวลาแต่จิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแบบนี้เอง นั้นเมื่อเราฝึกสติแบบเนี้ยไปเรื่อยมันจะเกิดปัญญาที่เราเห็นว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับนะพระอัญญาโกเัญญะนะท่านฟังธรรมจักรกปะปวัฒนสูร น, นะท่านเห็นเนี่ยแหล ะ, ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเข้าใจตรงนี้นะว่าอ๋อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีหรือนามก็ดีนะเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนะเป็นธรรมดาคือธรรมดาเขาต้องเกิดขึ้นแล้วก็จับไปก็เป็นธรรมดาเมื่อสติมันเห็นมนะันเนี้ยมันเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆมันล้วนเกิดดับทั้งนั้นนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาในที่นี้คือมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเนี่ยคือเห็นวันนี้จิตมันเข้าใจอ้อสิ่งสิงทั้งรายทั้งพวงนะเป็นแบบนี้แต่การที่เราจะไปยึดมั่นสิ่งที่มันเกิดดับไปยึดมั่นสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปยึดมั่นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเรานะไปยึดมั่นสิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่แหละคือเหตุของความทุกข์ นะเพราะที่แต่ก่อนเราทุกเพราะไปยึดนะแต่เมื่อไรที่ไม่มันไ ม, ม, นไม่ไม่ไปยึดก็ไม่ทุกอันนี้ปัญญาไม่ใช่ปัญญาระดับสุดท้ายนะปัญญาระดับที่เห็นว่าจิตเมื่อมันไปยึดยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกพอเห็นวันนี้มันจะไม่ยึดไม่ยึด ไม่ยึดเพราะว่ามันไม่อยากทุกข์มันคือจะรู้สึกเลยว่าเมื่อไร่ไปยึดมันเป็นทุกข์เมื่อไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์คล้ายๆวนะันนี้เหมือนเรารู้สึกว่าเมื่อใดที่เราเข้าไปอยู่ในความหลงเนะมันก็จะปรุงแต่งทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ปัญญาในระดับแรกๆ ก, ก็คือถ้าปรุงในด้านทุกข์ก็จะทุกข์ปรุงด้านสุข ก, ก็จะสุขใช่ไหมแต่ปัญญาในที่นี้เห็นว่า การเข้าปรีปรุงแต่งนั่นแหละมันเป็นตัวทุกมันทุกที่ต้องปรุงแต่งเนะี่ยไม่ว่าจะปรุงแต่งสุขก็ก็เหนื่อยปรุงแต่งทุกขก็เหนื่อยเหนื่อยที่นี่คือทุกมีความทุกขนะการพยายามจะรักษาสุขก็เหนื่อยจะรักจะพยายามทําให้ความทุกมันหายก็เหนื่อยมันทุกคือตรงเนี้ยมันทุกคือต้องไปพยายามที่จะต้องไปทำํำนะ ต้องรักษาก็ดีต้องไปจัดการก็ดีพูดง่ายก็คือเข้าไปยึดเนะี่ยเข้าไปยึดเข้าไปประคองเข้าไปจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เนะี่ยปัญญาก็จะเห็นว่าเมื่อจิตมันเข้าไปยึดมันเป็นทุกข์จิตไม่เข้าไปยึดไม่ทุกข์เนะีมันก็จะคลายความทุกข์ไปได้เยอะคลายความทุกข์ไปได้เยอะแต่ไม่ใช่พ้นทุกข์นะเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังมีจิต ที่มันมันยังรักษาไว้อยู่ยังมีจิตที่จิตตัวรู้ตัวเนี้ยที่ต้องเอาไว้ดูแลจิตที่มันดมก่อน <c oughs> ก็ไม่ใช่ผิดนะมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งจะไปทำลายตัวรู้เลยไม่ได้นะเป็นขั้นตอนเหมือนเราเหมือนเราอ่นั่งเรือข้ามฟางนะต้องต้องนั่งอยู่บนเรือก่อนไปถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งเรือนะ ขณะนี้เราอาศัยผู้รู้อาศัยตัวรู้อาศัยสตินะเป็นเหมือนพาหนะในการเดินทางนะที่เราต้องสร้างให้มันเกิดบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนพาหนะที่ที่จะนำพาของเราให้อยู่เหนือทุกขนะ์อยู่เหนือทุกข์ทำให้จิตมันออกจากความหลงหลวงพ่อคำเขียกก็เลยพูดสั้นๆในที่จริงสภาวะต่างๆไม่มีอะไรมาก มีแต่รู้กับหลงเมื่ อ, อที่รู้มันก็ไม่ทุกเมื่ อ, อที่หลงมันก็เป็นทุกนะหรือว่าสภาวะเรียกว่าเห็นกับเป็นเหมนกเห็นนะก็คือรู้เป็นก็คือหลงเข้าไปนะเข้าไปในสภาวะต่างๆนี่นแต่นะักคือสิ่งที่เราก็ต้องให้ใหสร้างขึ้นบ่อยๆสร้างขึ้นบ่อย สร้างจากตะแร่มีเจตนาที่จะสร้างต่อไปก็ค่อยๆลดเจตนานะเจตนาในการสร้างถ้ามันเจตนาเยอะไปมันจะเครียดมันจะไปบังคับมันจะไปอยากไดนะ้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการมีเจตนามันก็คือมีมีความอยากอยากให้มันเกิดขึ้นนะ อยากให้มีตัวรู้เกิดขึ้นมันมีเจตนามันก็เจือด้วยความอยากอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวนี้เลยบางทีมันก็จะขี้เกียจไปเลยมันก็จะไม่อยากปฏิบัติเลยมันก็อยากจะมันก็จะปล่อยตัวเองไปกับความคิดมันเหมือนเราต้องปรับสมดุลก่อนเพราะว่าจิตคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไปในทางหลงไปในทางคิดนะพูดง่ายง่าคือไปในทางย่อนนะพูดง่ายจิตส่วนใหญ่มันจะไปในทางย่อน นะไปทางตามมาสุ ข, ขานในการนโยน ะ, น, ะนี่คือเป็นแบบนี้แหละกามมาสุ ข, ขานในการนโยไ ป, ไปทางหย่อนกับการมีเจตนาเหมือนเป็นการปรับจากจิตที่มันหย่อนนะให้มันเป็นจิตที่มันตึงขึ้นมาสักหน่อยเพื่อหาทางสายกลางให้ได้แต่ถ้ามันตึงเครียดเกินไปมันก็กลายเป็นอัตตกิลมิา น, นโย อัตกินมตรฐานุโยคไม่ใช่แปลว่าเราต้องอดข้าวอดน้ําอดนอน เ, อเดินในตะปูอะไรนะต่างไม่ใช่ขนาดนั้นนะอัตกินมตรฐานโยคจริงๆคือการบังคับจิตใจเนี่ยแหละบังคับจิตใจมากเกินไปมันเป็นอัตกินมฐานโยคอันนั้นอาจจะเห็นภาพชัดๆบังคับกายไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ําก้นนมหายใจแบบพระเจ้าทําเนอะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่จริงการปฏิบัติแม้เราทําในรูปแบบก็ดีแต่ถ้าเราบังคับตัวเองมากเกินไปอันนั่นแหละหัตถกิมมิธานโยกนบบังคับให้มันไม่คิดเลยนะบังคับให้มันรู้ตลอดเวลานะบังคับในการแบบจ้องดูแบบจิตไม่กระพริบนะเราอาจจะเคยได้ยินในตาไม่กระพริบนะต้องดูแบบจิตไม่ไม่กระพิบเลยจ้องไว้ตลอด อันนี้ยคือมันบังคับมากเกินไปนะเป็นอัตกีนทานโยคซึ่งบางทีมันจกักจักหย่อนมากบางทีพอเราตั้งใจปฏิบัติมันกลายเป็นบังคับเกินไปเราเองต้องเรียกว่าหาทางตรงกลางให้มันเจอทางตรงกลางที่มันพอดีนั่นแหละมันคือความรู้สึกตัวที่ที่แท้จริงเนาะแต่บางทีไม่ใช่แปลว่าเราหาตรงนี้เจอแล้วมันจะ ไม่เผอหย่อนหรือไม่เผอเพ่งเนะมีบ้างนะแต่มาว่ามันจะทําให้การเผอของเรามันจะไม่ไม่สุดตรงมากเหมือนแต่ก่อนเวลาเวลาเราไม่ปฏิบัติเนาะมันจะสุดตรงมากเวลาไม่ปฏิบัติก็อยากทำอะไรก็ทําเลยนะเวลาปฏิบัติบางทีก็บังคับไปมากเกินไปนะยิ่งถ้าแบบคนที่ว่าต้องทําให้มันสงบอะ่ะจะยิ่งบังคับมาก คือถ้าไปวางใจว่าปฏิบัติเพื่อให้มันสงบอ่ะมันจะต้องบางทีเรากําหนดบริกรรมเพื่อเพื่อให้มันไม่คิดเพื่อให้มันสงบเนาะเราคิดว่าต้องทําแบบนั้นเลยนะแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่การบังคับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการย่อนไปตามอารมณ์จะเรียกว่าไม่ไม่ตามความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะ แต่เรามีสติเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้จิตมันเผลอไปคิดนะก็แค่นั้นมันจะกลับมามีสติรู้ทันตอนนี้มันบังคับเกินไปมันก็จะกลับมาเนะี่ยเรียกว่าไม่ตามความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะไม่ไหลไปตามอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่ไปกดข่มอารมณ์นะพูดเนี้นะพูดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คอยสังเกตดูจิตที่มันเผลอไปเนี่ยแหละมันทาให้เกิดตัวรู้ ไม่ใช่เพียงแค่การรู้ที่พอดีนะแต่จิตที่มันเผลอไปเรารู้ว่ามันหลงไปรู้ว่าเผลอไปนั่นแหละคือตัวรู้ตัวหนึ่งเลยนะตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งที่จริงการรู้สภาวะที่มันหลงไปนั่นแหละเป็นตัวรู้ที่จริงๆเลยแต่บางคนจะรู้สึกว่าไม่ชอบคือตอนนี้มันรู้มันรู้จริงเลย แต่อีกแวบหนึ่งจิตมันรู้สึกว่าเราไม่น่าดองเลยนะเราไม่ได้เพ่งเลยนะสมมติว่ามันจะที่จริงตัวรู้ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไปเห็นความคิดแต่มันเห็นของมันเองนะคือเราฝึกไปเรื่อยมันจะมีสภาวะที่ บางทีครูบาจารย์ก็เรียกเหมือนเะเอะความคิดนะเจเอะคือมันมันอาจจะเหมือนคล้ายๆสะดุดอะฮะมันสะดุดไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวว่าคิดแต่พอสักพักนึ่งเอ้าไม่เห็นว่ามันเผลอไปคิดเลยนะมันเหมือนไปพบโดยบังเอิญเนาะถ้าจะพูดง่ายๆเหมือนเราเดินไปจะเห็นเพื่อนเอา้าเธออยู่ตรงนี้เหรอน่ะมันมันมันเห็นมาว่าหลายๆครั้งเราก็เห็นนะ เอาง่ายๆมาว่าตอนที่ง่วงนอนนะตอนที่ง่วงนอนมันง่วงไปสักพักหนึ่งจมเข้าไปในความง่วงเนาะแล้วพอมันเดิมตรงนี้สับสงบแล้วนะออืจิตก็ตื่นขึ้นมาเนาะเพราะมันมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันเข้าไปอยู่ในความง่วงพอมันสับระงกขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราตื่นตื่นออกมาจากความง่วงได้จิตที่เข้าไปอยู่ในความคิดก็เหมือนกันนะพอมันเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งพอ สะดุ้งขึ้นมาเหมือนเออเราไปอยู่ในความคิดนะมันออกมาเหมือนเราฝันแล้วก็กำลังอินในความฝันพอพอรู้สึกตัว อ, อ้าฝันน่ว่านะมันก็สะดุ้งออกมาไ อ, อ้จิตพวกนี้แหละคือจิตรู้สึกตัวที่ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดของมันเองนะ เ, เกิดขอมันเองบ่อยๆซึ่งถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆ น, นะจิต ที่รู้สึกตัวโดยไม่ตั้งใจเนะ่จะเกิดขึ้นได้บ่อยเวลาจิตมันไหลไปดูนะมันจะสะดุดไปดูเขาเนี่ยไปสนใจเขาาเนี่ยจิตมันจะไหลไปแล้วก็พอไปสะดุดตกใจว่ามันลงไปนะจิตมันไหลไปฟังจิตมันไหลไปคิดนะไปอยู่กับอารมณ์พวกนั้นมันจะสะดุ้งขึ้นมาขึ้นมานี่คือจิตที่รู้สึกตัวมันจะเกิดบ่อยๆนั่นคือ พอเราเริ่มเห็นแบบนี้นะก็แค่ก็แค่ดูไปเรื่อยๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะเหนื่อยเพราะว่าบางทีมันเห็นความคิดเยอะเห็นความหลงเยอะนะมันเหมือนสลดับเลยทีหลงปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้เร็วมากรู้ก็ไม่รู้นานนะรู้แป๊บหนึ่งหลงไปอีกละรู้แป๊บหนึ่งหลงไปละบางทีก็หลงรู้ว่าหลงอะไร แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าหลงอะไรได้สามแค่รู้รู้สึกว่ามันแวบแวบแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่สาคัญนะอืมไม่ต้องสาคัญว่ารู้อะไรนะแต่สาคัญว่ารู้อย่างไรก็พอนะคืออาการที่มันที่จิตไปรู้นะ่ะไม่สาคัญว่ามันรู้อะไร รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กุศลโดยรู้อกุศลน่ะไม่สําคัญนะสำคัญว่ารู้อย่างไรหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนก็เลยมีคํานะที่เราได้ยินบ่อยๆคําว่าให้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อเนี่ยคือสภาวะที่ว่าเรารู้มันซื่อๆรู้เฉยๆไม่ได้รู้ด้วยความชอบความชัง รู้ซื่อเนี่ยเป็นสภาวะที่ใจเป็นกลางใจจะเรียกว่าใจมีสติแล้วก็มีสมาธิรู้นี่คือสติซื่อตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยคือสมาธิมันรู้ด้วยสติแล้วก็รู้ด้วยสมาธินะแล้วก็ที่จริงพอเรารู้แบบเนี้ยบ่อยๆนะมันก็คือ นำไปสู่การเกิดปัญญาเพราะว่าจิตซื่ อ, อ, อจริงๆเนี่ยคือมีอุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยไม่ใช่อุเบกขาโดยการที่แบบซื่อบื้อไม่ไม่รู้อะไรนะไม่ใช่แบบคือเป็นการรู้แบบวางเฉยฮะคือรู้นะไม่ใช่แปลว่าต้องไม่รู้ทำเบอเบอร์ทำมืมือทำ ซึมๆบางคนคิดว่าเราทำให้จิตให้เป็นอุเบกขาคือพยายามทำจิตให้มันนิ่งๆซึมซมเบอเบออะไรนะไม่ใช่นะอุเบกขาจริงๆคืออุเบกขาที่เกิดจากทั้งรู้แล้วก็มีความซื่อความเฉยความเป็นกลางความตั้งมั่นอันนั้นแะสัมมาสมาธิ มีอุเบกขาแล้วแสอยู่คือแบบนี้แสอยู่ก็คือรู้อยู่เนี่ยแหละมีอุเบกขาแล้วแสอยู่มีอุเบกขาแล้วแสอยู่แสอะไรก็แลดูรูปดูนามตามที่มันเป็นจริงมันก็จะเห็นสภาวะต่างๆมันเกิดดับทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวรู้ซื่อเนี่ยเป็นตัวรู้ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในนั้นเลยแต่มันก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อ ย, ร, ร, อยรู้ไปเรื่อยนะ นี่คือสภาวะที่มาว่าโดยภาษาธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยมันมันฟังดูง่ายแต่สิ่งที่เราปฏิบัตินี่แหละมาว่ามันเหมือนเป็นไกล้ line เนอะมันเหมือนเป็นแผนที่ว่าเออตอนนี้ยเรารู้สึกตัวเป็นหรือยังที น, นี้จิตมันรู้ซื่ อ, อ, อหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นตัวทําให้เราได้ได้กลับมาดูตัวเราเองเนาะที่จริงมันไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเอา ถ้าอย่างตมานะก็ดูตรงนี้แหละดูเรารู้สึกตัวหรือเปล่านะนี่อย่างที่หนึ่งนะเพราะว่ารู้ตัวกับหลงไปนะมันก็คือตรงข้ามกันถ้าเราไม่รู้ตัวตอนนั้นก็คือแป ล, แปลว่าหลงนะแต่หลงจะเรียกว่าอะไรก็โลบโกรธหลงอะไรก็ได้แต่นะถ้าไม่รู้ตัวก็หลงไปตอนนี้เรารู้สึกตัวไหมแล้วก็พอเราคิดว่าเรารู้สึกตัวได้นะ ตอนั้นมันรู้สึกตัวด้วยความซื่อหรือเปล่าออหรือบางทีมันก็เจือด้วยความอยากไงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่ซื่อเท่าไหร่ล่ะมันก็เริ่มกลายเป็นเริ่มฝึกจิตให้มีความซื่อมีความไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรไม่ต้องไปจัดการอะไรมันก็จะเห็นสภาวะมันมันเกิดดับของมันเองมันผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรมากกว่านี้ สภาวะต่างๆก็เหมือนผ่านมาผ่านไปบาทีก็โกรธก็ไม่เป็นไรโกรธก็มันก็จบไปคือหลงก็เกิดมาก็จบไปคือไม่ติดอารมณ์นานคืออารมณ์มันอาจจะเผลอที่จะเกิดสภาวะต่างๆบ้างแต่พอเราจบไปละไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่รู้สิ่งนี้ใหม่เนอะคืออย่าไปติดอารมณ์นานแค่นะนะั้นแหละคือมันก็ จะดีก็ตามนะไม่ดีก็ตามมันก็เพียงแค่อากาศที่มันเกิดขึ้นมาช่วขณะหนึ่งช่วขณะหนึ่งชีวิตก็อยู่กับแนะ่สภาวะที่รู้ไปทีละขณะผ่านไปแล้วจะรู้หรือหลงมันก็จบไปแล้วอนาคตนี่ก็ยิ่งคาดการไม่ได้เลยคนะาดการไม่ได้จะเกิดอะไรแต่ก็เออดูเท่าที่มันรู้ได้ดูเท่าที่มันรู้ได้ก็ฝึกไปแบบเนี้ยเรื่อยๆเนาะชีวิตก็ อ่ามันก็อยู่กับปัจจุบันได้เรื่อยไม่ต้องรอว่าเราจะบรรลุธรรมหรือเปล่ามาว่ายิ่งแบบสายลวงพ่าเทียนเราเนี่ยไม่ต้องไม่ค่อยบอกกันเนาะว่าใครเป็นอะไรยังไงดูได้ตัวเองนะครูบาอาจารย์เองก็ไม่เคยรับรองใครว่าขั้นไหนย่างไรนะอืมก็เพราะที่จริงท่านเน้นว่าแค่รู้สึกตัว นะแค่มีสตินะี่ก็ไม่ทุกแล้วนะก็พ้นทุกแล้วชั่วขณะนั้นนะไม่ต้องรอว่าเราต้องเป็นอะไรอย่างไรหรอกนะแต่เราสามารถพ้นทุกได้ทุกขณะทุกขณะโดยการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะเห็นอาการต่างๆมันเกิดดับนะไม่ต้องเข้าไปจัดการไปบังคับอะไรสภาวะต่างๆเนะี่ยหลวงพ่อเทียนาก็เลยพิสูจน์เราว่า เอาแค่สติตัวเดียวเนี่ยก็พอ <c oughs> ก็พอนะนะแต่บางคนแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าจะพอจริงหรือเปล่า <c oughs> มาว่าพอนะพอแต่ก็อาจจะไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกคนก็ได้บางคนก็อาจจะเหมาะในการทําอย่างอื่นก่อนแล้วก็แต่ที่จริงจะทางไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องมาเข้าทางมีสตินะ เพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีปัญญาแต่บางคนจิตเขายังไม่พร้อมเขาก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอย่างอื่นก่อนก็อาจจะมีอาจจะมีก็ได้หรือบางคนคิดว่าลองมาทำให้ตรงเนี้ยให้มันพร้อมเลยมีตรงเนี้ยก็ได้มันจะเป็นตัวเร่งให้เราค ล, า ย, คลายเข้ามาทางตรงมากขึ้นเนาะเพรอมไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากแล้วก็ มันเป็นรูปแบบที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ได้เยอะได้ง่ายการที่เราลืมตาการที่เรารู้กายเคลื่อนไหวการที่เรารู้ทันใจคิดนึกเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเราลืมตามันกระทบตากระทบรูปเห็นรูปรู้สึกอย่างไรมันเหมือนสะท้อนนะข้างนอกก็เห็นข้างในก็เห็นรู้สึกตัวเนี่ยเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะ ไม่ใช่จ้องดูแต่ข้างในไม่เห็นข้างนอกหรือมองแต่เห็นแต่ข้างนอกไม่เห็นข้างในรู้สึกตัวเหมือนสะท้อนน ะ, เ, ะเห็นนอกเห็นในไม่ใช่ต้องอยู่ตรงกลางตลอดแต่มันจะเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในตากระทบรูปนะเห็นรูปรู้สึกใจหูกระทบเสียงได้ยินเสียงรู้สึกใจนะจมูกได้กลิ่นรู้กลิ่นรู้สึกใจ ดินกระทบรสรู้สึกถึงรสชาติรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจกายสัมผัสต่างๆก็รู้ร้อนหนาวอ่อนนุ่มแข็งต่างๆรู้สึกถึงใจด้วยหรือใจเกิดความคิดขึ้นมาก็มีตัวรู้รู้เท่าทันความคิดนั้นรู้สื่อหรือเปล่าดู้รู้ไม่ซื่อก็รู้ที่ใจด้วยมันจะรู้สึกเนียรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆนะ เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งความคิดเห็นทั้งตัวหลงเห็นทั้งตัวรู้เนี่ยคือแต่เป็นการรู้โดยที่ไม่ต้องไปรอรู้ไม่ต้องไปคอยรู้นะอย่าไปคอยรู้อย่าไปรอรู้นะรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยมันรู้โดยไม่ต้องไปรอเหมือนเรารู้กายเนี่ยมันมันรู้ได้ทันทีเลยนะรู้โดยไม่ต้องคิดนะ รู้ซื่อเฉยๆนี่แหละนะหรือเวลามันเผลอไปคิดก็แค่รู้มันเผลอไปคิดนะไม่ต้องไปดักรู้มันมันคิดขึ้นมาก่อนแล้วสติค่อยๆรู้มันเผลอก่อนแล้วสติก็ค่อยรู้มันนี่นะแล้วก็แบบนี้ก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะรู้ให้ทันทันทีเลยนะจะไม่ได้นะจะรู้ให้ทันไม่ได้มันมันเหมือนมันทําไม่ได้อะเหมือนเหยียบ เหยียบคันเร่งด้วยเหยียบเบรกด้วยนะมันเท้าเดียวกันนะไม่ได้นะจิตมันก็ทำหน้าที่ทียบขนะดนะมันหดงขนะดที่หลงมันไม่รู้หรอกแต่มันรู้มันจะเกิดแทรกเข้ามานะทันทีทันควันพอเรารู้ตัวเนี่ยมันมันเป็นแบบนั้นก็เนี่ยทาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะก็ถือว่าอี อีกสิ่งหนึ่งนะที่จะช่วยในการปฏิบัติของเราได้ดีขึ้นเพื่อนมารู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพุนครูบาจารย์นะแต่เรามาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าญาโยมเวลามีศรัท ธ, ธากับครูบาจารย์จะอย่างไรเหนี้ยนะอย่างพระเองอย่างว่าเราอยู่กับครูบาจารย์อยู่กับลหลวงพ่ออยู่กับอะไรมันรู้สึกว่ามันมันศรัท ธ, ธาได้ได้วยความคุ้นเคยด้วยนะใน ได้การที่ได้อยู่ใกล้ได้การที่ได้เห็นได้สัมผัสแล้วมันเวลาทำสิ่งต่างๆมันก็เหมือนทำทาให้ครูบาอาจารย์ทำงานก็ดีหรือว่าปฏิบัติทำก็ดีเหมือนเห็นเห็นคุณท่านที่อุตสาห์บอกสอนนะรวมทั้งเห็นโทษตัวเองที่เคยหลงไปนะที่พลาดไปเนะี่ มันเห็นทั้งคุณในการปฏิบัติแล้วก็เห็นโทษตัวเองที่ที่หลงที่ทุกข์อย น, น, นะเวลาปฏิบัติก็เลยเน้นเหมือนปฏิบัติเหมือนบูชาคุณบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ที่สั่งสอนนะหรือว่าเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแม้ครูบาอาจารย์ที่เราไม่ทันอย่างเช่นหลวงพ่อเทียนก็ดีนะหรือพระพุทธเจ้าเองก็ดีนะ แต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนจากหลวงพ่อคําเขียนก็ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนหลวงพ่อคาเขียนนั่นแหละสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนก็คือสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนั่นแหละอันเดียวกันนะหลวงพ่อเทียนอราจมาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพ่อเทียนเป็นเล่มแรกเลยชื่อหนังสือว่าธรรมะแท้นะต้องรู้อย่างเดียวกันซึ่งเออ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดน่ะท่าเป็นของจริงมันก็ไม่ไม่ต่างจากสำนักอื่นในสายอื่นนะธรรมะแท้รู้อย่างเดียวกันเราเองไม่จำเป็นต้องไปเรียนไปเรียนเยอะๆเรียนทุกสายก็ได้เอาสายใดสายหนึ่งถ้าจับจักได้จริงๆนะมันก็ไปสู่สิ่งเดียวกันทั้งหมด บางทียิ่งไปเรียนเยอะนะ่ะยิ่งสับสนเพราะบางทีที่ไปเรียนน่ะบางทีเราไปเราไปเห็นที่รูปแบบเห็นที่วิธีการเห็นที่ข้อวัดซึ่งบางทีมันต่างกันแล้วเราก็จะสงสัยว่าไอ้ทำไมมันต่างกันนะอืม อ, อะไรดีกว่ากันอะไรประมาณนะั้นเราจะไปเปรียบเทียบนะแต่ม า, มาก็ก็เคยสงสัยแล้วก็สแสวงหาพอสมควรเรื่องพวกนี้นะแต่เอาข้าจริงรินะ มันไม่เหมือนกินข้าวอะโยมไม่อะไรมากหรอกอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นก็กินก็อิ่มเหมือนกัน น, นั่นแหละนธรรมะจริงก็เพื่อเพื่อไม่ทุกข์กับเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่ถ้าไีอะไรอันนี้มันดีกว่า น, นี่อร่อยกว่าอันนั้นมันสวยกว่านี่นเนี่ยมันจะเยอะมากะอออืมันจะเยอะแบบวุน่นเอออันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะมันจะเป็นแบบนั้น มันจะเอาความชอบความไม่ชอบนะถูกใจเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์จริงๆอะไรก็ได้ว่าแต่ทำแล้วมันไม่ทุกข์เหมือนกินอะไรก็ได้นะว่าแต่กินแล้วมันอิ่มนะใช้ได้ละใช้ได้ละมันก็ไม่ทุกข์ละเนยแล้วลธรรมะมันก็ไม่ได้ปไม่ได้มีโทษตามมาเหมือนกับเหมือนกับอาหารนะบางทีมันอิ่มก็จริงนะ แต่มันอาจจะมีโทษเพราะว่าสารอะไรต่างๆนะแต่จริงธรรมะถ้าปฏิบัติในแนวทางที่ถูกจริงๆมันไม่ไม่มีโทษนะไม่มีโทษนะอิ่มด้วยแล้วก็ไม่มีโทษด้วยนะเนี่ยมันก็จะเข้าใจจริงจริงมันก็แตกต่างก็แค่แค่นั้นแหละนะแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราสึกว่ามันอิ่มมันไม่ทุกข์แล้วก็ใช้ได้ละก็โอเคลกกะฮะนก็ฝากไว้ เราเราสร้างสติเนาะโดยเฉพาะในรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนท่นสอนะท่านจะเน้นให้มันเป็นแบบเป็นธรรมชาติเนาะเป็นการเคลื่อนไหวที่มันเป็นธรรมชาติแม้อาจจะ1ิบสี่ท่าแบบยกมืออาจจะไม่ใช่เราจะเรียกว่าไม่ธรรมชาติเพราะท่าเราไม่ยกแบบนี้แต่ที่จริงคำว่าธรรมชาติคือมันมี มีความรู้สึกที่มันไม่ฝืนไม่เกรงใช่ไหมะน ะ, ะคือท่าทางเนะให้หาจังหวะที่มันผ่อนคลายให้มันสบายแต่ก็มีความรู้ตัวนี่คือธรรมชาติคือแบบนี้เนาะอย่างเราเดินก็เหมือนกันนะเดินก็ให้รู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพียงแค่มีความรู้สึกตัวเข้าไปเพราะพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนเรื่องสติปัญญา ท่านคือท่านพูดนิดเดียวหมายถึงว่าคือท่านบอ ก, กรักนิดเดียวแต่สมัยนี้บางทีเราไปติดในรายละเอียดเกินไปเลยคิดว่าต้องทำอย่างงั้นอย่างนี้หรือเปล่าบางทีไปอธิบายรายละเอียดมากบางเลยยิ่งสับสนนะครูเจ้าท่านบอกว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนะยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนแค่นี้เอง หรือจะบอกคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัวเดี่ยวซ้ายแลงขวาให้รู้สึกตัวกินดื่มขับถ่ายให้รู้สึกตัวนี่พระเจ้าท่านพูดแค่นี้เองนะเพราะว่าท่านท่านบอกว่าถ้าจะว่าจริงๆก็คือแค่รู้ในอิยบทดักหลักแบบงี้แหละนะเ น, นไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปใส่ใจในรายละเอียดว่าต้องเดินแบบไหนนะไรนะ ต้องยกแบบไหนต้องเคลื่อนแบบไหนต้องวางแบบไหนต้องอะไรแบบไหนพอเราไปไปสงสัยหรือไปติดในตรงนั้นมันจะจิตมันจะมันจะว่ามันมันจะไม่สบายเนะเาะแต่จริงพระเจะาบอกเดินเดินก็แค่ให้รู้รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน แค่นี้เองนะหลือแค่คู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็แค่รู้สึกแค่รู้สึกถึงขณะที่คู่แขนเข้าหรือเหยียดแขนออกก็ให้รู้สึกขณะที่มันกระทบก็รู้สึกขณะที่กินก็ให้รู้สึกนะมีความรู้สึกตัวนะขณะที่ดื่มก็ให้มีความรู้สึกตัวนะพระเจ้สอนแค่นี้นะคือการมีสติแค่นี้แหละนะเพื่ออะไร เพื่อมันเป็นถอนความพอใจและความไม่พอใจเวลาเราเกิดความพอใจในอะไรก็แล้วแต่เนาะเกิดความพอใจในสภาวะของรูปของนามคือว่าเช่นพอใจในความสบายนะหรือไม่พอใจในความฟุ้งซ่านในสมมตินะ่ะนี่คือเพื่อถอนความพอใจความไม่พอใจแล้วเนะี่ยเรามีสติเพื่อจะได้เห็นเท่าทันว่าวราจิตมัน ไปหลงพอใจหรือไม่พอใจในร่างกายก็ดีหรือในจิตใจก็ดีมันถอนตรงนั้นนี่ยคือมีสติเพื่อเห็นตรงนี้นะไม่ไี้มีอะไรมากกว่านี้เองนะนั้นวิธีพหลวงพ่อเทียนรรนะท่านสอนน่ะท่านท่านไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรมากในการปฏิบัติเลยนะนั้นมันก็เลยเป็นทางที่ถ้าคนรู้สึกก่อนมาคือ เป็นความรู้สึกที่มันมันซื่ อ, อ, อตรงๆ ง, ง่ายๆธรรมดาเลยนะแต่กว่าจะเข้าใจว่ามันตรงหรือมันง่ายก็ก็ <c oughs> คิดเยอะนะมาถึงว่าก็สงสัยเยอะคิดเยอะเอะเ อ, ะ, อ ะ, ะสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งแต่พอเราเริ่มเห็นว่าเราเริ่มมันเกิดความสงสัยเกิดความอยากรู้เกิดความอะไรต่างๆมัน สิ่งที่มันคลายจริงคลายพวกนั้นนะคลายสิ่งที่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้จิตมันวุ่นวายคือข้างในของเราเนี่ยแหละข้างในเนี่ยแหละที่มันคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะคิดที่มันเปรียบเทียบคิดที่มันอยากจะรู้คาตอบล่วงหน้าอะไรนะคิดที่มันอยากจะให้มันดีอยากจะดีอยากจะถูกไม่อยากผิดนะนะ ไม่อยากหลงแบบนี้เนาะมันมีทั้งนั้นเลยเนาะแต่ก่อนทำปฏิบัติคิดว่าเราไม่ค่อยมีหลอกแบบนั้นเนาะอืมแต่พอปฏิบัติจริงๆนั่นแหละเรานั่นแหละเป็นแบบนั้นอืมอยากจะดีเนาะไม่อยากผิดนะอยากจะถูกนะไม่อยากหลงนะอยากจะรู้เร็วๆอยากจะเก่งอยากจะยะแย่เลยนะตัวตนความยึดติดความถือมา่ต่างๆอ๋อ มันมีเยอะมากนะก็สิ่งที่เห็นก็คือเห็นความหลงตัวเองเนี่ยแหละนะเนีหมายว่าเห็นเห็นความหลงเนี่ยเห็นความผิดเห็นความอยึดเห็นตัวตนต่างๆเนี่ยคือมาว่าเรียกว่าเห็นเริ่มเห็นธรรมะเห็นธรรมะนี่ไม่ใช่แบบว่าเราเห็นโอ้ จิตมันว่างจิตมันโน่งจิตมันเบาจิตมันลอยเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรนะอันนั้นเนี่ยเห็นแบบนั้นนะโอกาสที่จะเห็นแล้วเป็นลงนะ่เยอะมากเลยแต่ถ้าเห็นกิเลสเห็นตัวตนตัวเองนะมันจะเหมือนโอ้ตกใจมันเหมือแต่ไม่ใช่ตกใจแบบตกนานหลังนะก็คืออหลงเวลาเนาะมันจะเห็นว่าเออ ไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้อไม่เคยรู้ว่าไอแบบเนี้ยเรียกว่าหลงเนาะเพราะเราคิดว่ามันถูกนั่นแหละมันดีนะมันถูกแล้ ว, ม, นะ ม, ลวมันใช่แล้วนะไอไม่อยากผิดมันก็ใช่มันก็ถูกแล้วนี่ไม่อยากผิดเราก็คิดไปอย่างนั้นนะแต่พอ่าเห็นจริงจอ้อการยึดถูกก็หลงไม่อยากผิด ก็หลงเนอยู่ในความสบายก็หลงเอาอยู่ในความสงบก็หลงแต่แต่ก่อนเราคิดว่าเราจะต้องเอาให้มันสงบเอาให้มันสบายเอาให้มันรู้น่ะแต่มันเหมือนเราสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเหมือนเป็นเป็นที่ขังตัวเองนะอืมคล้ายๆเหมือน โอ้ชั้นอุตสาห์สร้างบ้านอย่างดีติดแอร์อย่างดีแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันสบายดีไม่ออกไปไหนถ้าจะเปรียบง่ายๆนะเหมือนเด็กอะ่ะเล่นเกมนั้นมันสนุกอะ่ะมีความสุขมีความเพลิ น, นก็อยากจะอยู่แบบนั้นคือเขาไม่เห็นว่าตัวเองหลงอยู่ในการติดเกมเพราะมันมันเป็นโลกที่มันสนุกมันเป็นโลกที่เ้าชอบอะ่ะใช่ไหมแม่พ่อใครอยากจะให้ไปทําอย่างอื่นไม่อยากทําเพราะว่า มันตรงเนี้ยมันสนุกมันสบายมันก็ตัวเองจะเห็นว่าตัวเองหลงว่าติดน่มันยากเยอะแต่คนอื่นจะเห็นว่าเราหลงเราติดมาจางง่ายแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราหลงเราติดเองอ่ะมันจะเลิกจริงจริงนะคือคนอื่นอาจจะดึงเราออกตอนที่เราหลงก็วแว บ, บหนึ่งแต่ต่อเมื่อเราเห็นตัวเองหลงเห <m> ็นความผิด <m> เห็นความหลง <m> เห็นความทุกข์ของตัวเองอ่ะมันถึงจะถอนจริง ค่อยๆถอนไปในสิ่งที่หลงนะแต่มันยังมีหลงเยอะมากมายอย่าตกใจที่จะเห็นความหลงนะอย่าตกใจที่จะเห็นความผิดหรือว่าความตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติจะเห็นพวกนี้เยอะมากยาเยอะมากจนบางทีจนบางทีก็รู้สึกว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ทาไม เราเป็นคนแบบนี้ทำไมมันคิดแบบนี้ได้แต่เราพลาดทำไ ม, มโอ้เยอะเหลือเกินเนาะน่ะแต่จริงจริงยิ่งทำไมนะยิ่งหนักใจยิ่งทำไมยิ่งหนักใจแต่ทำไปเรื่อยๆนะ่ะทำไปเรื่อยๆคือบางทีอาจจะเหนื่อยบ้างหนักบ้างเบื่อบ้างทำไปเรื่อยๆอยแล้วมันก็จะมันก็จะค่อยๆเรียบร้อยค่อยๆดีขึ้นของมันเองอะ่ะ เมื่อเราจัดบ้านนะมันเราจัดบ้านนะ่นนนะคือจัดไปจัดไปก็โอ้ชั้นล่างก็มีต้องหลายห้องชั้นบนนี่ั้งหลายห้องนะค่อยๆจัดไปจัดไปจัดไปนะอืมมันก็ประมาณวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเห็นรูปเห็นร่างขึ้นนะใช่ไหมสองสาวันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็แล้วแบบแต่ถ้าต่อแบบสมทำไมไมันเยอะขนาดนี้ทำไมเยอะอย่างเนี้ยทําแล้วก็พักทําแล้วก็ไม่อยากทํานะ มันก็จะแบบไม่เสร็จสักทีทหรอกแต่ทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เ, เสร็จอยู่ทุกขณะดีขึ้นทุกขณะสะอาดขึ้นทุกขณะนะเข้าที่เข้าทางขึ้นทุกขณะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันเห็นความหลงเห็นความผิดเห็นความพลาดเห็นอะไรเยอะมากแต่ยิ่งเห็นไปมันยิ่งมันยิ่งเรียกว่าลดลงนะ่ะลดลงแต่มันจะเห็นความหลงอย่างอื่นขึ้นมา เพิ่มไปเรื่อยๆมาก็เลยรู้สึกว่าเหมอนเราปฏิบัติอ่ะเหมือนเรากวาดบ้านถูบ้านเลยขณะที่กวาดอาจจะเห็นฝุ่นมันเยอะเห็นขยะมันเยอะนะแต่กวาดไปเรื่อยเออขยะมันก็ออกจากบ้านมากขึ้นเคลียบบ้านเนียเยอะขึ้นนะถูก็เหมือนกันนะถูบ้านก็อาจจะมีฝุ่นติดนะไม่ถูเยอะขึ้นนะมันก็สกปรกบ้างแต่พอเราทําเสร็จไปรอบหนึ่ง มันก็สะอาดมากขึ้นเสร็จรอบสองนะก็ยิ่งสะอาดกว่าเดิมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเห็นความสกปรกเห็นความหลงในจิตเนี่ยแหละมันยิ่งทำให้จิตสะอาดยิ่งถูกทางมากขึ้นดังนั้นถ้าใครกลัวที่จะเห็นทุกข์หรือว่าเห็นความผิดความผ่านของตัเองโดยการพยายามจะทำไงก็ได้ให้มันไม่คิด ทำไงก็ได้ให้ ม, มันสงบทำไงก็ได้ที่ไม่อยากจะทุกขนะ์น่ะคือการพยายามจะหนีนะอืมทั้งนี้เราไม่อยากจะคือมันเหมืนเหมือนนีอะไม่อยากเจอไม่อยากนะไม่อยากอยู่อย่าไปอยู่ที่ตงอื่นดีกว่าซึ่งมันเหมือนคล้ายๆสกรปรกแล้วนะเอาเอาพรมมาปูเอาพ ม, มาปูก็นั่งอยู่ทับตรงนั้นแหละหน่ะสะอาดแต่กางราค์ยังสกรปรกอยู่เราหนีทุกข์นะ หนีไม่พ้นเราหนีความหลงก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะไปหาที่สงบจากอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่สงบตลอดหรอกนะมันเหมือนน้ำแข็งนะมันก็อาจจะแข็งอยู่เย็นอยู่นะแต่ไปอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาสักพักมันก็ละลายนะกลายเป็นน้ำไม่เย็นเหมือนเดิมละเราจะหาที่อยู่ที่มันสงบขนาดไหน เราบอดิกรรมเราไปทำสมาธิสงบขนาดไหนไม่นานนะไม่นานมันก็กลับมาฟุ้งซ่านกลับมาปวดเมื่อยกลับมาคิดเหมือนเดิมถ้าเราก็จะรู้สึกว่ามันกลับมาอีกแล้วเป็นอีกแล้วไม่สงบอีกแล้วก็มาทำให้มันสงบใหม่เหมือนน้ำละลายแล้วอ่ะเอาไปแช่ใหม่ละลายแล้วไปแช่ใ ห, หม่มันก็ได้แต่ น, น้ำแข็งแบบนี้ไปเรื่อยนะ แข็งบ้างละลายบ้างมันไม่ใช่ทางเหมือนเราพยายามจะทําให้สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแต่การมีสติจริงๆคือสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้คิดก็รู้มีสติแล้วไม่คิดก็รู้ก็มีสติแล้วมันมีแต่สติถ้ามันอยู่เหนือ เหมือนข้ามไปเรื่อยๆพ้ใไปเรื่อยไม่ติดในทั้งความสงบไม่ติดทั้งความคิดนะนึกว่าสตินะไม่ติดทั้งอกุศลแล้วก็แล้วก็กุศลความว่าเป็นกลางที่นี้คือเป็นกลางทั้งกุศลแล้วก็อกุศเลเนี่ยนะอุเบกขาที่ไม่ยึดทั้งทั้งบวกแล้วก็ลบนะถอนความพอใจถอนความไม่พอใจอย่างเี้ยได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ อะไรต้องนักปฏิบัติที่อาจจะค่อยๆฝึกไปเนาะแล้วใจเราจะใจมันจะเข้มแข็งมันจะคล้ายๆกล้ า, า, านะมาว่านักปฏิบัติจริงๆคือมันมันกล้าที่จะสระมันสระทั้งมันคือสระคือการปล่อยจริงๆนะแต่ถ้ามันเหมือนคล้ายๆเหมือนเราลองจัดบ้านเนาะ ไอ้นี่ขยะเราก็อาจจะทิ้งได้นะแต่อันนี้มันเหมือนอยากจะเก็บอะทั้งที่ไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่กล้าสระนะทั้งที่ไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ยังมันอยากเก็บเนี่ยมันมันไม่กล้าทิ้งน่ะไม่กล้าทิ้งน่ะมันมันสละจริงๆทั้งทั้งบวกแล้วก็ลบเนาะทั้งความพอใจแล้วามไม่พอใจมันไม่เอาอะไรน่ะไม่เอาอะไรน่ะแต่เอาแต่ตัวรู้ไปก่อนนะเอาแต่ตัวรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนแล้วก็ มันก็ไม่ติดนะไม่ติดตรงนั้นอืมอ่ะก็อ่ะก็ฝากไว้เนาะเราไปทานข้าวเนาะก็ลองพูดเจ้าท่านสอนแ่วนะ่าน่ะกินข้าวดื่มน้ำนะขับถ่ายต่างๆก็ให้มีความรู้ตัวรู้ตัวนะรู้ตัวคือรู้กายหรือรู้ใจอะไรก็ได้นะรู้กายขณะที่กินข้าว หรือว่ารู้ใจขณะที่มันเกิดเกิดอะไรขึ้นขณะที่กินข้าวแบบนะี้ได้หมด